بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف ا ل ا ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الجماعين رضيت بالله رب ا و ب ا س ل ا م دينا وبمحمد رسوله Um al al al um a l l a h إِنَّنَا نَسْأَلُكَ ع ِ ن ْ م َ ا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِيبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا يا ربَّ ع ْ ل َ م ي ن َ Allahumma f a k i في الدِّينِ وَعَلِمُتَأْوِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติพระเมตตาความจำเริญความปรานีเจ้าลอสุบฮานหวตล ประสบแดพี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอ่านทุกๆ ท, ท่านนะครับอัลฮัมดุดลิลละวันนี้เราอยู่ในสุร่าอัลอารอฟอายะที่ยี่สิบแปดอ่า ยีอายะที่ี่สิขึ้นต้นว่อิละฟ่าลูฟะฮิชาตันกอลูวะจัดนาอัลเลหฮะอับานะวะลลาฮูอัมาโรนะบิฮะเริมต้นที่ฟะติฮาก่อนอัลลอฮบิลเลห์มินะชัยตานิุรจิม ب سم الله الرحمن الرحيم a l h a د d ل l i l l a h i r م b b i l alamin a ح r a h m a n a l r m a l i k i yau midin. d m a l i k i y a m i d d i n i y a k abdu n a u wa ia y k a n a s t a i n i y a k a na'budu na wa ista'in. y a a a k n Ihdin as-sirat al-mustaqim. สิร ط َ الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين อเมนอุดุบิลลาฮิมินอชชัยตนอราจ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَاءَنَا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحش אתقولون على الله ما لا تعلمون. و ل أمر ربي ب ا ل ق ي س ة وأقيموا وجهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأتم تعودون. ฟรีกันฮาดะว่าฟรีกัน حق عليه مضلل إنّه متخذ الشياطين أولياء م อลลาไว้ฒสเซียฟินะอูรอิมลลาและย حسبون أنهم متدون มาดูความหมายนะครับครั้งที่แล้วนะอายะห์ที่27เนี่ยอัลลอฮ์ได้กล่าวกับบาีอาดัมคำว่าบาีอาดัมก็หมายถึงลูกหลานของนบีอาดัมก็พวกเราทั้งหมดนั่นแหละนะพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะตระกูลไหนจะเชื้อชาติใดสีผิวไหนนะจะออกมาครบ ส2สบสองส่วนหรือพิการก็ถือว่าเป็นลูกหลานของนบีอาดัมทั้งนั้นนะหมายความว่าต้นกำเนิดของเราเนี่ยมาจากมนุษย์คนแรกของโลกนะครับก็คือนบีอาดัมและก็ท่านพนางฮาวะและแน่นอนว่าอัลลอฮ์ก็ได้ตักเตือนมนุษย์ด้วยกับการที่พระองค์นั้นบอกว่าอย่าให้ชัยตอนนั้น มันมาหลอกลวงเจ้าซึ่งการหลอกลวงของชัยตอนมันก็มีหลายรูปแบบนะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการหลอกลวงให้ไปกระทำสิ่งที่น่ารังเกียจในอายะที่2ี่สิอัลล์บอกว่าวะฟฟะฮิชตันและเมื่อพวกเขากระทำ ฟาลูหมายถึงกระทําฟาฮิชาแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่น่ารังเกียจกอลูวะเจดนาไลาฮาอาบาอานาะพวกเขาก็จะกล่าวว่าเราได้พบเห็นบรรดาบรรพบุรุษคําว่าอาบาอานาะก็หมายถึงปู่ย่าตายายพบเห็นว่าไงปู่ย่าตายายเขาก็ทํากันมา ต้องนมนานแล้วเป็นสิ่งที่สืบต่อถ่ายทอดกันมาและถ้าว่าเราทำไม่ถูกนี่เท่ากับว่าใครว่าบรรพบุรุษเราด้วยนะนี่อันนี้คือคำแก้ตัวของคนที่ยังก็รู้นะไอ้สิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันมันน่ารังเกียจแต่ก็ยังไม่สามารถจะละทิ้งได้โดยการอ้างไปถึงบรรพบุรุษว่าบรรพบุรุษเขาก็ทำแบบนี้มาฉันก็เลยต้องทาต่อ อันนี้ก็เป็นการข้ออ้างของชัยตอนเหมือนกันก็ในเมื่อขอไม่ดีเราจะทำต่อทำไมอ่ะแค่นั้นเองใช่ไหมวะลอหั อ, อมามะรนาบีหายังไม่พอยังบอกว่าและอลัลลอฮ์ก็ทรงใช้ให้เราทำแบบนี้ด้วยสมมุติเราบอกไปอีกว่าไอ้ขอเนี่ยมันไม่ถูกนะที่ปู่ย่าตายายทำมาแต่มันไม่ถูกนะเฮ้ยไอ้ที่ปูาายายนะ่ย่าตามตามมาเดกก็ทำตามที่อลัลลอ์บอกนะั่นเลยเอา ไปถึงอัลลอฮ์แล้วตอนนี้ทั้งๆทงี่ไอไการกระทำเนี้ยมันเป็นฟาหิชะมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแต่ผมจะยกตัวอย่างนะเรื่องอะไรเขาบอกว่าอัลลอฮุอามารนาบิฮาและอัลลอฮ์ก็ทรงใช้ให้พวกเรากระทำมันด้วยกุลจงกาวเถิดมูฮัมหมัดว่าอินนัลลอฮะลายะมุรบิลฟหชาอัลล์ พระองค์นั้นจะไม่ทรงใช้ให้ทําสิ่งที่เป็นเรื่องดังเกียจติดอกเป็นไปไม่ได้เลยที่อัลลอฮ์จะมาใช้ให้มนุษย์เนี่ยทําสิ่งที่น่ารังเกียรตินั่นหมายความว่าไอ้สิ่งที่น่ารังเกียรตนี่ก็มาจากการอุปโลงขึ้นมาและอ้างไปถึงอัลลอฮ์แค่นั้นเองมนุษย์คิดเองมาเองว่าอกีมูฮูจูฮากุมอินเดกุลลีมัสยีดินแท้จริงอัลลอฮ์บอกไปแล้ว ว่าไม่ชงใช้ทั้งนั้นพวกเจ้าจงพวกเจ้านั้นอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้อ่านผิดผิด<ส><ส>วัดเขาไม่ไดอัตกูลูนาอัลลอฮิมาลาต้าละมูลนะพระเจ้าจะกล่าวนะพวกเจ้าเนี่ยจะกล่าวให้ร้ายแก่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้กันนั้นหรืออัลลอฮ์ปฏิเสธเลยว่ะ าการที่อ้างไปถึงอัลลอฮ์แล้วว่าอัลลอฮ์ใช้ใทําเรื่องนาเกียด น, นี้เนี่ยคือการใส่ร้ายการกล่าวหาอัลลอฮ์โดยที่พระเจ้าไม่มีความรู้นะซึ่งถือว่าเป็นข้อหาใหญ่เลยนะพี่น้องนะอัลลอฮ์ Allah, ถ้าเรายอมรับว่าเราเนี่ยแหละทำเองก็ยังก็ยังผิดแหละแต่ไม่าพาดพิงไปถึงอัลลอฮ์แต่ถ้าบอกว่าอัลลอฮ์ใช่อีกต่างหากนี่กลายเป็นว่าอัลลอฮ์ใช้ในสิ่งที่นาังเกียรหรืออันนี้จะยกตัวอย่างเรื่องอะไร กุลอามารลอบบีบิลกิจจงกล่าวเถอะโมฮัมหมัดว่าพระผู้ิบาลของฉันเนี่ยใช้ในสิ่งที่ยุติธรรมให้มีความยุติธรรมและก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยคือพี่น้องจําเลยนะว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยไม่มีเลยที่จะเป็นเรื่องไม่ดีแต่มนุษย์เราอาจจะไปไม่ถึงว่าไอเนี่ยมันดีแต่ให้เชื่อเถอะว่าไม่มีเลยที่อัลลอฮ์ใช้แล้วเป็นเรื่องไม่ดี เ, เรื่องดีทั้งนั้น และจงและพวะเจ้าเนี่ยจงผินใบหน้าของพวะเจ้าให้ตรงมสัสยิดอ่าอากีมูตรงนี้ก็หมายถึงเวลาละหมาดนะนะพี่น้องก็ให้หันหน้าไปในเอนเดกุลิมัสยิดไปในทุกๆนะให้ตรงกันให้ตรงกันทุกมสัสยิดแปลว่ามสัสยิดไม่ว่าจะอยู่บนโลกที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็จะหันไปทิศทางเดียวกันหันไปทิศไหนจ้ากีบลาถูกไหม สุราไหนก็แล้วแต่เราจะไปละมาสุเราแถวคูแถวไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องหันไปทางกิบลาเหมือนกันหมดอ่าแต่ว่าเมื่อก่อนมีคนโทรมาจากต่างประเทศเขาบอกอาจารย์ออฉันจะหันหน้าไปทางทิศตะวันเหมือนคนเหมือนเมืองไทยได้ไหมฉันก็บอกว่าต้องไปดูประเทศของนี่อยู่ตรงไหนฉันก็ไม่รู้สิถ้าเมืองไทยแหละใช่เนีหันไปที่เดียวกันพอดูตาม ภูมิประเทศได้นะครับก็คือกาบาอยู่ทิศไหนก็หันไปทางทิศนั้นเอาต่อมาวัดอูฮูมุคลีซีนหละฮุดดีนและก็พอเวลาเราจะขอดูอาเนี่ยเป็นมารยาทนะถ้าเราทำได้ก็คือให้วิ่งวนไปทางกิบลาหันหน้าไปทางกิบลาทัดีทาดีนะก็หันหน้าไปทางกิบลาแล้วก็วิ่งวนขอดูอาในฐานะผู้บริสุทธิ์ ใจต่อศาสนาของพระองค์อมุคลิสเลยมุคลิสแปลว่าขอต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ได้ทําเพื่อให้มนุษย์เห็นทําเพื่อสิ่งอื่นสิ่งใดไม่ใช่ทําให้อัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวกามาบาดะอักุมตาอูดูนะเชกเช่นกามาก็หมายถึงเหมือนกับนะเสมือนกับเช่นเดียวกับการที่พระองค์ทรงบังเกิดพวกเจ้ามาแต่หลแรกและพวกเจ้าก็กลับไป พูดง่ายๆว่ามนุษย์เราคนแรกเนี่ยก็มาจากมาจากการสร้างของเราและเขาเองก็ขอดูอ่างกอลล็อกไม่ได้ไปข อ, อ ก, กับคนอื่นแหละแต่ความเพี้ยนต่างๆความผิดพลาดต่างๆเนี่ยมันมาเกิดรุ่นหลังเราให้ยึดกลับไปถึงต้นตอเลยก็คือคนแรกเลยก็คือท่านอบีอาดัมและสุดท้ายเนี่ยเราก็จะต้องกลับไปแต่ตรงนี้จะมีตัฟซิดเพิ่มนะ เเรื่องที่สาบสาเหิตในการลงมาเนี่ยมุจาฮิดกล่าวว่าปรากฏว่าพวกมุชลีกีนเวลาเขาทําการตวารเขาก็จะตะวารในสภาพที่เปลือยกายหรือบางทีก็มีแค่ผ้าเศษผ้าชิ้นเล็กๆปิดเฉพาะอวัยวะพึงสงวนอันนี้หมายถึงก่อนที่นบีจะมาสอนเรื่องฮัทนะมีการทำฮัทมาก่อนหน้านี้ไหม มีเล้วตั้งสมัยนบีบรอฮีมแล้วมันก็เพี้ยนกันมานาะปรากฏว่าโดยพวกเขากล่าวว่าเราจะเดินเวียนรอบใบตุลล์ในสภาพที่มานดาของเราได้คลอดออกมาคืออะไรก็คือไม่ใส่อะไรเลย <laughs> เป็นฉันอะฉันอายแต่ไม่รู้คนนู้นคนนู้น ก, ก็ห า, ายเปล่า <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะบอกเดี๋ยวจะบอกทาไมเขาไม่อ า, าย แล้วสตีก็เอาบางส่วนปิดเอาวัยวะเพศของนางเท่านั้นผู้หญิงก็อาจจะปิดบ้างแต่แต่ก็ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็เปิดแต่ปิดแหนะปิดเฉพาะตรงนั้นอย่างเดียวพวกนางกล่าวว่าเขาพูดเลยนะบอกว่าไงอเลียวมายบดูบะอาดูฮูเอากุลลูวันนี้บางส่วนหรือทั้งหมดเผยให้เห็นว่ามาบดามินฮูฟลายอให้ลูและสิ่งที่เผยให้เห็นนั้นก็ไม่เป็นที่อนุมัติแปลว่าอะไร แปลว่าเขาจะแก้ผ้านี้เนี่ยเฉพาะตอนที่ทำการเดินตวาบเท่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าไอการแก้ผ้านี้จะไปแก้ผ้านอกจากตรงนี้นะเพราะว่าเขาเชื่อว่าอะไรรู้ไหมเขาเชื่อว่าชุดอาพรที่ใส่เนี่ยมันเปื้อนมลทินอ่าเสื้อนี่เราใส่ทำบองทำบาปกีมันก็ต้องมีบ้างเลยนะช่วงที่ใส่เนี่ยใส่ไปดินทาคนแต่จริงว่าไอไอบาปเนี่ยมันได้อยู่ที่เสื้อ มันอยู่ที่ตัวอยู่ที่เสื้อก็สบายดีนี่เองนะฉันก็บริจาคไปเลยโอ้มันอยู่ที่ตัวมันไม่เกี่ยวกับเสื้อไอ้พวกนี้เขาไปแต่งขึ้นมาเขาบอกว่าเนี่ยวันจะตะวัพเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยมันเปื้อนมลทินแล้วต้องสละมลทินออกไปแล้วให้ซื้อเสื้อผ้าพิเศษถามว่าใครขายก็คนที่อยู่ที่มักกาที่คุมอยู่นั่นแหละกลุ่มกุมเรสแหละบอกว่าถ้าจะเข้ามาตะวัพต้อง ซื้อผ้าของเขาผ้าจากเมืองท่านเนี่ยไม่ได้คราวนี้คนที่มีตังหน่อยเขาก็ซื้อใส่เขาก็ไม่น่าเกียดแล้วไอ้คนไม่มีตังทงําไงแก้ผ้าสิครับเพราะต้องถอดเนี่ยก็เขียนไว้ในนี้คราวนี้ผู้หญิงเนี่ยความอายมันมีนี่บอกผู้หญิงมันอายอยู่แล้วจะไปแก้ผ้าวันวันดีคืนดีไม่เคยไปแก้ผายใครดูนะกับสามีเท่านั้นแหละที่จะเปื้องผายเห็นได้ที่เหลือไม่มีหรอกคราวนี้ปรากฏว่าเขาทํายังไง ในรายงานบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะรอให้ต้งวันตกดินให้มันมืดเลยแล้วค่อยไปตะวับให้ความมืดเนี่ยมันพรางปกปิดแทนอาภร น, นะแต่อย่างน้อยว่าผู้หญิงอนุ ญ, ญาตให้ปิดที่อายวะพึงสงวนได้นะส่วนคนมีตังเขาก็ไปซื้อถ้าเป็นปัจจุบันนี้ใช่ไหมผู้ชายก็ต้องใส่ใส่เอียรอมแต่เอียรอมเนี่ยมันไม่จะเป็นต้อง ไปซื้อที่ซาอุดีนี่อะไรก็ได้ผ้าเนี่ยสองผืนจะซื้อตรงไหนก็ได้ซึ่งราคามันก็แตกต่างกันนะอ่าแตกต่างกันถ้าของเยอรอมก็ต้องใส่ชุดเยอรมอิสราเอลของผู้ชายมันแค่ผ้าสองผืนนะแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นเลยแต่ตอนนู้นเนี่ยเขาเหมือนกับบังคับต้องเป็นผ้าของเขาแล้วก็ขายราคาแพงด้วยเป็นผ้าที่ตอไปอาบน้ําศักดิ์สิทธิ์อะไรมาเนี่ยบริสุทธิ์ทอจากผ้านั้นผ้านี้ก็แพงสิพอคนมาไม่มีตังค์ไปไง ซื้อไม่ได้ก็ต้องแก้ผ้าตะวัฟเลยอืทั้งหมดทั้งมวลพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายเขาอ้างว่านี่แหละคือคําสั่งของ Allah. อัลลอฮ์ผู้หญิงจะไม่ตะวัฟตอนกลางคืนไอ้ผู้หญิงจะไม่กะวัฟกลางวันเพราะไอ ย, ยกเว้นว่าถ้านางมีตังซื้อเสื้อผ้าก็ตามะวัฟได้แต่ถ้าไปกลางคืนปั๊บผู้หญิงเท่านั้นเลยผู้ชายก็ไม่มีละอืมอันนี้ฉันก็ไม่เคยเห็นนะเพราะว่าสมัยนู้นแหละ สมัยนู้นก็ยกเลิกหมดแล้วไป ม, มีแล้วแต่สมัยนี้ก็ดูได้เลยตาวาปใส่การแต่งกายเรียบร้อยผู้หญิงต้องปิดเอาล้อมีนั้นเป็นเงื่อนไขนะตาวาปต้องปิดเอาล้อเปิดเอาล้อไม่ได้นี่แหละคือคําสั่งหอล้อเนี่ยเขาบอกต่อว่าเอาล้อจะไม่ทรงใช้เรื่องนาเกียรติตรงกันข้ามมีแต่เอาล้อจะใช้ให้ทําความดีและบริสุทธิอ์อายุติธรรมนะครับคราวนี้ขอ มาดูคําคําว่ากามาบดาอากุ um ้มตาอูดูเสมือนกับพระองค์ได้สร้างพวกเจ้ามาแต่หนแรกและพวกเจ้าก็จะกลับไปตรงนี้เนี่ยนักวิชาการเลือกทัศนะของอบูยาฟัดอันจารีตอิบเนจารีตคือมีหลายทัศนะมากนะเช่น อ, อ, อะไรบังเกิดมาในโลกนี้หมายถึงในดุนยาและกลับไปในโลกกียมะวันกียมะอ่าอันนี้ก็มีส่วนทัศนะของอบูยาฟัดอิบเนจารีด บอกว่าตามศาสนานี้เนี่ยมีหะดิสรับรองเอาไว้ด้วยกับอินัว บ, บาสบอกว่านบีเนี่ยลุกขึ้นยืนในหมู่พวกเขาด้วยการตักเตือนและท่านก็บอกว่ายาอายูฮันนัสโอ้มนุษยชาติทั้งหลายอินนะกุ้มตัวเชรูนอิละลอฮูเฟตันอูรตันกุลันบอกว่าไงบอกว่าความจริงพวกท่านเนี่ยจะถูกต้อนไปหาอัลลอฮ์ต้อนไปหาอัลลอฮ์ก็คือไปไหนเนี่ยวันพิพากษา นะในทุ่งมาชัดก็ถูกต้อนไปในสภาพที่เท้าเปล่าแปลว่าอะไรไม่มีรองเท้าใส่แล้วก็มีเสื้อผ้าไหมไม่มีวันที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยเอา ล, ล่อให้ฟื้นคืนชีพมาเนี่ยเพื่อจะไปสู่การพิพากษาเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าอย่างนี้นะเหมือนนี่เหมือนฉันเนี่ยไม่มีมาแบบในสภาพที่เหมือนเกิดมาใหม่เลยก็คือตัวเปล่าเล่าเปลือย เลี้ยก็รองเท้าก็ไม่มีแม้กระทั่งอันนี้ข้อหนึ่งแม้กระทั่งผู้ชายเนี่ยเวลาเราเกิดมาผู้ชายทุกคนเนี่ยจะมีหนังหุ้มปลายอวัยวเพศและหลังจากนั้นทุกคนก็ต้องมาทําการเข้าสุนัตรหรือขีตานก็คือตัดคลิปออกในวันกียรมัดฟื้นขึ้นมาจะมีหนังหุ้ม อ, อ, อ, อวัยวเพศ ด, ด้วยมีครบเลยเหมือนตอนเกิดเลยแต่มาสภาพเป็นเป็นผู้ใหญ่นะไม่จะเป็นเด็กนะไอ้หนังที่ตัดออกไปเนี่ย กลับมาเหมือนเดิมเลยอันนี้อยู่ในอยู่ในขดีษเพราะอะไรแหะเพราะอัลลอฮ์จะทาให้เหมือนกับพวกเจ้าเนี่ยบังเกิดขึ้นมาในตอนแรกนะอันนี้ก็คือทีท่คำว่าอัลลอฮ์บอกว่าก um ามาบาดาวกุ่มตาอูดูอีกอันหนึง่งเอาบอกเอาไว้ว่าขอสาบานต่อผู้ที่พระเจ้าของ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอแท้จริงคนหนึ่งคนใดในพวกเจ้าแน่นอนการงานแน่นอนจะทำงานด้วยกับการงานของชาวสวรรค์หมายถึงคนคนนี้ทำอามันชาวสวรรค์จนกระทั่งระหว่างเขากับสวรรค์เนี่ยเหลือเพียงแค่สองศอกหรือหนึ่งศอกแล้วการบันทึกที่ได้บันทึกเอาไว้แก่เขาก่อนแล้วเขาจึงทำการงานของชาวนรกแปลว่าท้ายชีวิตของเขาเนี่ยเขาพลาดไปทำงานชาวนรก และเขาก็เข้านรกนะอันนี้อันนี้เนี่ยพูดถึงต้องระวังในช่วงท้ายของชีวิตให้มากๆากนะทำดีมาจนกระทั่งบางทีประมาทไม่เป็นได้หรอกทำผิดแค่ครั้งเดียวปรากฏวัยทาผิดครั้งเดียวครั้งนั้นแหละถึงอายันเลยอันตรายนะหรืออีกอีกอันหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็คือประตูตบาบัดตัวปเปิดเสมอถ้ายังไม่ตายเหมือนกับอีเหมือนชายคนนี้แหละที่ทํางานของชาวานรกมาตลอดชีวิต จนกระทั่งระหว่างเขากับนรกเนี่ยห่างกันเพียงแค่สองศอกหรือหนึ่งศอกและก็มีบันทึกไว้ก่อนหน้านี้แล้วและเขาก็ทำงานชาวสวรรค์และหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าสวรรค์คราวนี้อีกอายะหนึ่งที่ Allah, อัลลอจากเมื่อกี้ยังแปลไม่ครบนะอายะที่ส0สฟารีกอนฟารีกรอนแปลว่าอะไรพวกหนึ่งฟารีกอน พระองค์ฮาดาอัลลอฮ์ให้ทางนำว่าเฟรีกอนฮักก็ออลัยฮิมุดบอลาละส่วนอีกพวกหนึ่งสมควรแก่เขาแล้วที่เขาหลงผิดดูนะดูคํานะพวกหนึ่งพระองค์ให้ทางนำอีกพวกหนึ่งเราบอกสมควรแล้วที่เขาหลงผิดนะจะไปโทษอลัลลอฮ์ไม่ได้นะเวลาหลงผิดเนี่ย Ah. อูมุตาอุชตี้นะอเลียไอที่ลงผิดเพราะอะไรเพราะแท้จริงพวกเขาได้ยึดเอาชัยตอนเป็นผู้คุ้มของอื่นจากอัลลอฮเอาชัยตอนเป็นทางนำไม่ได้เอาอัลลอฮเป็นทางนำเมื่ออาลลอฮเป็นทางนำก็จบสิก็อยู่ในหนทางที่ถูกต้องและพวกเขาก็คิดว่าเขาคือผู้ที่ได้รับทางนำพอเอาชตอนมานำเขาบอกนี่แหละเขาได้รับทางนำแต่มันคือทางนำจากชัยตอนไม่นำไปไหนนำไปนรกมันไม่นำเข้าสวรรค์ มีฮะดิษบทนึงสอนให้เราถึงหลังอากีด้านนะเขาบอกว่าอยากูรุนรอฮะตายแล้วอัลลอ์ได้ตัดว่าแท้จริงข้าได้บังเกิดพวกเจ้ามาเนี่ยอีบาดีหุนนฟะในสภาพที่เที่ยงตรงแปลว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยอัลลอ์ให้ตรงไว้หมดเลยนะไม่มีเฉล็บเฉลียวเลยเกิดมาเป็นมุสลิมเลยแล้วปรากฏว่าฟาจาอัฮมุชยาตีนหลังจากนั้นเนี่ย มนุษย์ที่มันเที่มันออกนอกลู่นอทางเนี่ยเพราะอิทธิพลของชัยตอนชัยตอนมันจะดึงฟัดเจตลาลาไลฮุมอนัดดีนให้ออกจากศาสนาและก็รวมในนั้นอีคาริสบอกกุลลูมาลูกุลลูมาลูดุนยู่ละดูอะไรฟิตรอเนี่ยที่บอกอ๋อเราบอกว่าเด็กทุกคนเกิดมาบนฟิตรอบนธรรมชาติและก็พ่อแม่ก็เปลี่ยนเขาให้เป็นตามความเชื่อต่างๆเขาว่าเปลี่ยนตรงนี้หมายถึงพยายาม จูงพยายามบอกพยายามสอนนะคราวนี้นิดนึงมันมีบทวิจัยด้วยจะจบล้วเขาเคยมีคนที่เป็นนักด่าว่านะนักสอนศาสนาไปสอนในหมู่บ้านหนึ่งที่ไม่มีอิทธิพลของความเชื่อเลยเลยนะคือเหมือนคนป่าเลยจริงจริงคนป่าเนี่ยก็จะมีบางป่าเขาก็นับนู่นนับนี่นับถือว่านะแต่ป่าเผ่าเนี้ยคือเกิดมาแล้วก็ไม่มีความเชื่ออะไรติดตัวเลย เขาบอกว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเรียกว่าเป็นพระเจ้านั่นแหละแต่เขาอาจจะไม่ไม่รู้ว่าเชื่ออะไรเขาจะขอกับอันเนี้ยก็คืออัลลอฮ์นั่นแหละแต่เขาไม่มีใครไปบอกไงว่าพระเจ้าชื่ออัลลอฮ์คราวนี้ก็เลยไปบอกว่าไอ้ที่คุณขออยู่เนี่ยก็คืออัลลอฮ์คือหมายถึงว่ามนุษย์เราเนี่ยจะวิงจะวิงจะขอดุอาต่อพระเจ้าอยู่แล้วรู้จักพระเจ้าโดยตําเนิดอยู่แล้ว และตอนหลังถูกถูกแปลงสภาพพระเจ้าให้เป็นหินมั่งให้เป็นปูนมั่งให้เป็นไม้มั่งจากการที่มนุษย์อุปโลกขึ้นแต่จริงมนุษย์รู้จักพระเจ้าโดยอยู่แล้วถ้าไม่ได้ถูกดึงออกไปอันนี้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่นักวิจัยเขาเคยไปเจอหมู่บ้านหนึ่งนะครับจบล่าสุดท้ายแล้วอีฮัดิสหนึ่งสุดท้ายละฟอัล ม, มามันกาเนะมินกุมมินอฮดิซาดานี่ดีมาก สำหรับผู้ที่ปรากฏว่าพวกเขานั้นเป็นคนที่มีความสุขเราจะรู้ได้ไงว่าเราเนี่ยเป็นคนมีความสุขฟัซียยาซิรูเลียมลิอาฮลิสาดะอัลลอฮฺจะทำให้เขานี่ง่ายในการทำอา ม, มัณของความสุขพู ด, ดง่ายๆความดีนั่นแหละเราจะรู้ได้ยัไงเราเป็นคนดีเมื่อมีอะไรที่เป็นความดีเราจะรีบทำเราจะทำง่ายละหมาดก็ง่ายทำความดีอ่านกูรานก็ง่ายฟังบรรยายง่าย ง่ายมากในการทําความดีนั่นแหละคือเราเป็นคนได้รับความดีหรือคนมีความสุขส่วนตรงกันข้ามใครที่เป็นคนที่มีความความทุกข์อัลลอฮฺก็จะทําให้ง่ายในการทําอามันของคนที่เป็นทุกข์บางคนเนี่ยซ้ําแล้วซ้ําอีกกูนี่ยืมสินดอกเบี้ยพันตัวคําอยู่นั่นแหละนะก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นผลของความทุกข์ก็ยังจมปลักอยู่งั้นกินเหล้าก็กินอยู่งั้นแหละทั้งกะท่รู้แล้วว่าไอ้กินแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นติดยา ก, ก็ติดอยู่อย่างงั้นแหละนะแต่สําหรับคนที่ดีแล้วเนี่ยอัลลอฮฺะจะเ จ้างให้กินยังไม่กินเลยอย่าว่าแต่ซื้อให้ฟรีนะจ้างให้กินเนี่ยเป็นหมื่นเป็นพันให้ไปกินเหล้ายังไม่กินเลยเพราะเขารู้ว่ามันคือหนทางที่นำไปสู่ความทุกข์นั่นเองนะครับอะจบอายะที่สามสิบอายะที่สามสิบเอ็ดแล้วก็สามสองอายสามอดสามสองยไหม ยาบเนี๊ยอา ز ِ ي ن َ ت َ ك ُ م ْ عِنْدَ งُ ل ِّ م َ س ْ ج ِ د ด ว وَاشْرَبُوا وا وَلَا تُسْرِفُوا إ ِ ن َّอُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ wow. قُلْ مَنْحَرْ رَمَزِينَةَ اللَّهِ ก็อื่นๆที ج َม่ใช่ ال ت ي ่อัลลอฮฺอัลลอฮฺ ب ัลลอฮ ل อัลลอฮฺอัลลอ ا ฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัล ดุ نية ข้าวิเศ م ในยุคมาลกิยาม กِ ك َ ن َُูฟِّ ل ิลุลอ ي ย ا ตِลِ قوم ี ي َ علمون กِ ك َ ن ُ ف َฟِّ ل ُ ا ل ْอ ي َ ا ت ِ ل ِ قوم ี ي َ علمون กุ ر อินนามารับ ب i a l فواحش ما, ما ظهر منها وما بطن قل إنما حرم رب ي ا ل فواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق َิวะ و َนตุชริกูบิลลาบะริยาบิวายรินฮักกิวะอ ب ِตุ ل ริกِบَล لَمْ มาลา ز ยูนْ ب ِ ه บ س ُ ل สุล ا ن ً ا وأن تقولوا وا على الله ما لا تعلمون تع อ่ะมาดูความหมายนะครับสามอายะนะเมื่อกี้บอกไปเร็วว่า ให้อะไรนะอ่าไม่ให้มีการไปอ้างอิงต่ออัลลอฮ์ว่าเวลาจะตะวับซึ่งตะวับเนี่ยนะครับแน่นอนนะสถานที่ตะวับก็คือที่มสัสยิดฮารอมอ่าที่มสัสยิดฮารอมนะแต่แน่นอนแหละมสัสยิดฮารอมเนี่ตะวับอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ทําอะไรด้วยนอกจากตะวับทําอะไรอีกละหมาดสิ <laughs> ตะวับอย่างเดียวที่ไหนล่ะก็มีละหมาดห้าเวลาด้วยอ๋อถ้าตะวับแล้วไม่นต้องละหมาดเหรอไม่ใช่ ใช่ไหมมสัสยิดฮารอมเนี่ยพอถึงเวลาละหมาดเนี่ยตาวาฟก็หยุดไม่มีนะตาวาฟอยู่ทั้งๆละหมาดแต่ไม่มีพอละหมาดปับ๊บหยุดตะวาฟเลยพอให้สล า, ามเท่านั้นแหละโอรงวิริศไมไ่นานแล้พวพกตาวาฟก็เป็นไงลุกไปเลยลุกตะวาฟต่อน่อันนี้คือคื อ, ค, อคือที่มสัสยิดที่เดียวเลยนะครับที่มีการตาวาฟนานั้นใครที่ละหมาดที่ลานตาวาฟเนี่ย ก็ต้องดูด้วยไม่ใช่ไปยืนละหมาดเข้าตาวาฟอยู่ไปยืนละหมาดไปไงก็ไปขวางทางเขาสิอนั้นวงในเนี่ยเขาจะไม่มีละหมาดแล้วเขาจะจะตวาฟอย่างเดียวข้างนอกก็จะมีถอยออกมาแล้วก็มาละหมาดข้างหลังคราวนี้อยบนีอาดามคูรูซีนะตะกุมเอนเดกุลิมัสยิดโอ้ลูกหลานอาดัมเอย๋ยจงเอาเครื่องประดับกายของพวกเจ้าซีนะ คำว่าเครื่องประดับกายตรงนี้พี่น้องครับหมายถึงอาพรไม่ใช่หมายถึงสายสร้อยแหวนเราจะเข้าใจว่าเครื่องประดับคืออะไรคือสร้อยคือแหวนจริงๆเครื่องประดับอย่างแรกเลยก็คืออาพรของเราเนี่ยที่เราใส่เนี่ยเสื้อผ้าเราเนี่ยคือเครื่องประดับอย่างหนึง่งถูกไหมเพราะมันปกปิดสิ่งที่น่ารังเกียจสิ่งไม่พึงสงวนเอไว้ว่าพึงสงวนสิ่งที่พึงสงวน Zinatagum Ain Dakul ในทุกๆมัสยิดแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่ไปที่มัสยิดทุกมัสยิดเลยพยายามแต่งกายไปไงให้ดีให้เรียบร้อยโดยเฉพาะเวลาที่มีการชุมนุมกันเยอะๆเช่วนวันอีดวันศุกร์ใช่ไหมและตรงนี้ สำหรับผู้ชายมีสุนนะให้ใช้เครื่องหอมอของหอมน้ำหงน้ำหอมพรมด้วยแล้วก็อีสุนนะเนื่บางคนเนี่ยใส่แต่น้ำหอมอย่างเดียวลืมแปรงฟันมาอัฟทอีอ๋อโลไอตัวนี่หอมเลยพอพูดมาเท่านั้นแหละรึมเลยสุนนะคู่กันนะเออต้องแปรงฟันด้วยไม่ใช่ใส่แต่น้ำหอมอย่างเดียวลืมแปรงฟัน อ, อ๋อโลจะไปพูดกับใครล่ะใช่ไหมครนี้ นบีบอกเอาไว้สีอะไรดีที่สุดเออรู้ไหมสีอะไรดีที่สุดอัลบิซูมินเซียบีกุ้มอัลเบยอดพวกท่านทั้งหลายจงสวมอาภรณ์ท่านด้วยกับสีขาวนี่สีที่ฉันใส่เนี่ยอันนี้ผู้ชายนะผู้หญิงสีที่ดีก็คือสีดำทำไมผู้หญิงสีดำล่ะสาเหตุที่ผู้หญิงสีดำหรือสีที่มันทึบเพื่อเป็นการปกปิดสายตา เพราะสีขาวนี่ขอโทษนะถ้าใส่แล้วเปียกน้ำนี่มองเห็นนะแต่สีดำนี่มันค่อนข้างจะเก็บละเก็บปิดบังได้ดีกว่านั้นผู้หญิงไม่เกี่ยวกับฮอดิสนีหญิงไม่เกี่ยวผู้หญิงใส่สีดำถูกต้องแล้วสีดาทึบๆอ่ะไม่ใช่สีดำอย่างเดียวสีน้ำตาลสีทึบๆน้ำอ่ากร ม, มท่าอะไรพวกนี้นะแสดงก็เห็นชัดดิ <laughs> แดงก็ดึงดูดสายตา แต่แต่แต่บางคนเขาชอบสีครีมก็ไม่ว่ากันไม่ได้ผิดนะใส่สีครีมได้ทายาไม่เป็นไรเขาเรียกสีสะอาดตาอ๋อใส่ข้ามถนนแต่อย่าไปแถวไอที่เขาเลี้ยงวัว น, นะ <c oughs> อินน่าฮามินคอยดิเซียบิกุมเพราะนาบีบอกว่าสีขาวเนี่ยมันเป็นอาพรที่ดีที่สุดละในหมูพม่พระเจ้าหมายถึงผู้ชายเราวกัฟวกัฟฟีนูฟีฮาเมาตากุ่มและอะไรอีกเวลาตายเนี่ย กระฝันเขาใช้สีอะไรสีขาวอ่อาก็กระฝันสีขาวว่าอินนะคอยดูอะกอะอออัคแลิคูมูลอิสมิดอิสมิดใครรู้จักบ้างยาทาตาอ่าอิสมิดสมัยก่อนเขาทือกันมานะอ่าบางคนทาไม่เป็นเป็นยังมีเพนด้า <laughs> จิมท่ตาเนี่ยนบีบอกว่า ยาทาตาที่ดีก็คืออิสมิดเมื่อก่อนฉันก็ทำนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาล ะ, ะอินนาหูยะจลูอัลบาสดนะเพราะมันจะทำให้ตาสว่างและขนตาดกด้วยเอาต่อมาอันนี้ผู้ชาย ใ, ใส่สีขาผู้หญิงก็สีทึบๆนะครับอันนี้ดีนบีบอกต่อว่าเอ้ยไม่ใช่ น, นบีกุฎอานบอกต่อแล้วบอกว่ากูรูวัชรอบูให้ให้กินให้ดื่มจงกินจงดื่มวลาตุสรีฟู เละอย่าได้ฟุ่มเฟือยอันนี้ไอ้คำว่าฟุ่มเฟือยเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามเฉพาะคนคนรวยใช่ไหมไม่ใช่หมดแหละจะจนจะรวยเนี่ยก็ห้ามฟุ่มเฟือยนั่นไม่ใช่ว่าพอรวยแล้วไม่ฟุ่มเฟือ่อฟุ่มเฟือยไม่บาปไม่ใช่รวยเนี่ยฟุ่มเฟือยก็ บ, บาปแต่คนจนมักจะไม่ฟุ่มเฟือยเพราะว่าเขามีน้อยอินนาฮูลยอยู่ให้บุญมุสลิฟีนแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ชอบบรรดาผู้ที่ฟุ่มเฟื่อยทั้งหลายอิบนูจารีตบอกว่า เอา ล, ล่ะอนุ ญ, ญาตให้กินให้ดื่มโดยไม่สุรุ่ยสุร่ายและไม่ทีเหนียวจนเกินไปเนี่ยความหมายตรงนี้นะรายงานโดยอิหม่ามอ Ahmad และก็มิกดาอิบโนมะดีกะริกะริบะอัลกินดีได้เล่าว่าฉันได้ยินท่านรอซูลสลุลลาะฮ์ฮุยและฮิวสันลำกล่าว ว, าว่าอ่านฮะดิษนี้แล้วฉันโดนด้วย มา马拉อิบนุอาดัมวชาอันชรามินบันีฮบีฮัสบิลอิบนอาดัมไม่มีภาชนะใดที่หากมนุษย์บรรจุไว้เต็มแล้วมันจะแย่ไปกว่าท้องของเขาเป็นการเพียงพอแล้วอากูเลตุนยุกยุ ก, กิมนสุลบาหูเพียงพอแล้วเพียงไม่กี่คำของอาหารนาบีเราเนี่ย นับคำนะเวลากินอิ่มผาลัมเจ็ดเม็ดนั่นแหละคือหนึ่งมื้อแล้วอิานาผาล้ำกินเจ็ดเม็ดในพอเลยอ่าอิ่มแล้วแต่ของเราต้องมีข้าวมีแกงมีขนมหวานมีชาครบอันนี้คือการกินคนสมัยนี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าถ้าถ้ากินไปเสร็จแล้วมันก็จะก่อออเป็นโรคไม่ได้ปกติอันนี้เราเข้าใจดีาวเบาหวานความดันพวกนี้มาจากโรคจากการกินไขมันด้วยอืม ต่อมาฟฟอินกาเนาอิลันมาฮาล่ะแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ให้แบ่งกระเพาะเป็นสามส่วนบอกไปแล้วอ่อของดีเมื่อก่อนวันเมื่อวานคืนฉันไปเจอน้ำมันมากอกอยากจะซื้อเลยพอจะหยิบมาปั๊บดีเอาไปวางละควรละพันกว่าบาทกลับมาใช้น้ำมันปลาเหมือนเดิมดีกว่าโอ้มอมันแพงอะน้ำมันของดีมันแพงแพง ซื้อนะ้ำมันปาล์มได้ต้องเป็นลิตรเอ้ยเป็นอะไรเป็นเกลอนของดีก็จะแพงนะแต่ฉันบอกว่าเนี่ยผลไม้สวรรค์นะจะแม่น้ำมันมะกอกอะ่ะของดีเลยแต่ราคาสูงใช่ใช่ดีของดีไม่บอกไม่บอกดีแต่ราคามันจะจะสูงแล้วมันนำข้าวกับแพงทานตะวันกับแพงน้ำมันมะพร้าวยิ่งแพงใหญ่เลย <laughs> กินปอบปลาเลยนะตโอเคอันนี้เราพี่น้องฟังนิดนึงอ้าวสุดอมียยะนยยะที่สามสองกุลมันฮารอมาซีนตัลลอจงกล่าวถธอมุมอัลหมัดว่าผู้ใดเล่าที่ห้ามเครื่องประดับจากอัลลอฮ์และพระองค์นะอัลลตีอัคราจาีอบาดีที่พระองค์ได้ทรงให้ออกมาสำหรับวงบ่าวของพระองค์วัดตอยีบาติมีนาริสและบรรดาสิ่งดีๆที่เป็นปัจจัยยังชีพเข้าใจั้มอันนี้ ไอตอนแรกกินเละเทะเลยอร่อยอันไหนร้อห้มกินหมดอัลร้องไม่ได้ห้ามแต่ไปตั้งกฎเองว่าอุยอย่างนี้มันไม่ได้นะมันกินไม่ดีแล้วมันเป็นความถ้กินแล้วจะบริสุทธิ์เช่นเนื้อสัตว์เนี่ยคนแทบคนคนนึงเป็นมุสลิมแล้วบอกว่าเอ้ยถ้ากินเนื้อสัตว์แล้วมันเป็นบาปใหญ่อ่ะนี่เสร็จเลยเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยอัลลอฮฺอนุญาตมันไม่ได้เชิดหมาถูกต้องท่าสุขภาพอีกเรื่องนะกินเพราะสุขภาพ กินผักเยอะหน่อยนี่ไม่ว่ากันแต่ถ้าเชื่อเลยนะว่ากินเนื้อสัตว์ทําให้บริสุทธิ์อไม่กินเนื้อสัตว์ทําให้บริสุทธิ์เนี่ยแหละกำลังมาตั้งกฎเกณฑ์ละจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าฮียริลและีนะอามานูฟิลไฮยะติดดุนยาคอลิสตัยยาวมัลกิ亚马จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่ า, า, ววาสิ่งเหล่านี้สําหรับผู้ศรัทธาเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้และสําหรับพวกเขาโดยเฉพาะ ในวันปรโรคหมายถึงอัลลอฮ์กำหนดของดีๆมาเนี่ยก็เพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้และมันส่งผลถึงโลกหน้าด้วยเรื่องอะไรเรื่องผลบุญไงถ้าเรากินตามที่อัลลอฮ์บอกกินของที่ฮาลานไม่ไปกินของฮารอมเราก็ได้ประโยชน์ทั้งโลกนี้และในโลกหน้าเราก็ไม่โดน ล, ลงโทษ ด, ด้วยเข้าใจน ะ, ะเราจะแจกแจงอายะต่างๆให้แก่กลุ่มชนนั้นได้ทรงรู้อ่ได้ขอโทษดิให้พวกเขาได้รู้ อ้ายาที 33, ma ma ah oh ่สามสิบสามกุลอินนามาฮารมารอบเบี้ยลฟาวาฮชามาซฮารมินห่าวมาบอตันจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงสิ่ ง, งที่พระพุทธบานทรงห้ามนั้นคือสิ่งที่น่ารังเกียจทั้ง ท, งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยคือจะทําต่อหน้าคนหรือทํารับหลังคนเนี่ยมันก็คือสิ่งไม่ดีเช่นกินเหล้า คุณจะกินเหล้าในบ้านจะกินนอกบ้านก็ไม่ดีคุณจะออะไรของไม่ดีอ่ะจะแก้ผ้าอ่าแก้ผ้าจริงๆแก้ผ้าเนี่ยจริงๆก็ห้ามนะอยู่บ้านก็ห้ามแก้ผ้ามีฮะดิษบอกคือแก้ผ้าเลยนะไม่ได้เพราะว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นก็ให้ใส่อาพรนี่แหละแต่อาพร์ตามตามคนยืนในบ้านก็ไม่ได้คุ้มหัวแต่ก็ต้องใส่อาพรไม่ใช่เดินแก้ผ้าเนี่ยก็ห้ามเหมือนกันแต่ถ้าออกไปนอกบ้านนี้แน่นอนห้ามต้องใส่ปิดอาลลอ ว ال อิสมาว์เบอกยแล้วก็อะไรอีกห้ามอะไรอีกห้ามรังแกข่มเหงห้ามบาปห้ามทำบาปแล้วก็รังแกข่มเหมโดยไม่เป็นธรรมแล้วก็ห้ามการตั้งพาคีนะมาลลมอยู่ณซินบิฮีซุนต่อนะโดยที่พระองค์ไม่ได้ประทานหลักฐานใดๆลงมาในเรื่องนั้นแปลว่าอะไรอัลละไม่ได้บอกเลยให้ไปเคารพสิ่งอื่นสิ่งใดอัลลอบอกให้พราองค์เดียวแต่มนุษย์ไปอุปโลกขึ้นมา มาล้มอยู่น้ซินบีฮีซุนตอนน่ะและเอาลใช้ให้ขอรบพระองค์เอาลอเพียงพระองค์เดียวเอาลอไม่ได้ใช้ทำชีริกถูกไหมเราก็ต้องต่อฮีทนะให้อกภาตตอลว่อันตะกูลูอะลวลอฮีมาและตาและมูลแล้วเขาก็กล่าวร้ายต่อลอในสิ่งที่โบในสิ่งที่พบะเจ้าไม่รู้นะครับคืออย่างนี้มันมีอันหนึ่งคำว่าอิสหมายแปลว่า ความชั่วบัคแปลว่าการข่มเหงค่านี้เขาบอกว่าผิดตมันจะมีอยู่สองแบบผิดที่คนอื่นเขาไม่เดือดร้อนผิดโดยคนอื่นไม่เดือดร้อนงงไหมเช่นคนไม่ละหมาดเนี่ยถามว่าไอคนรอบข้างเนี่ยมันจะเดือดร้อนโดยตรงไหมเราคนเดียวเลยนะแต่ถ้าเกิดสมมติไอคนขโมยเนี่ยขโมยเนี่ยมันไม่ใช่เดือดร้อนมันเดือดร้อนคนอื่นของเขาหาย ยิ่งคนไม่ละหมาดเข้ามาในบ้านเรามันไม่ละหมาดกระตัวของมันมันกระ บ, บาบไปแต่เราก็มาเดือดร้อนแต่ถ้าเอาขโมยเข้ามาในบ้านปั๊บเป็นไงยุ่งแหละข้อนี้อัลลอฮ์ห้ามทั้งหมดแสดงว่าคำหนึ่งที่บางคนชอบใช้บอกเอ้ยมันไม่ละหมาดมันก็ไม่ได้คนไม่ดีอะไรนะมันไม่ได้ก่อเดือดร้อนอะไรเนี่ยลูกฉันตั้งใจเรียนตลอดแต่แค่มันไม่ละหมาดเองตกลงอัลลอฮ์ห้ามไหมเนี่ยเรื่องเรื่องทำบาปเนี่ยก็ห้ามบาปตรงนี้ก็คือไม่ละหมาดีกับบาปไง นะแต่มันดีกับคนอื่นก็ว่าไปมันไม่ไปรักโมเล็กขโมยน้อยมันไม่ติดยงติดยาไปขมเหงใครอันนั้นก็เป็นความดีของเขาไปแต่ถ้าไม่ละหมาด ก, ก็ยังบาปอยู่ดีนั่นแหละนะเนี่ยเขาเลยแยกนิดนึงนะบาปที่ไปเดือดร้อนคนอื่นกับบาปที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นแต่เป็นบาปของตัวเองและเอาเราเริ่มที่บาปตัวเองก่อนด้วยแหละเพราะสาเหตุมันมาจากทากับตัวเองก่อนแล้วก็เราไปทำกับคนอื่น อ, อ่านต่อนะสามสิบสี่สามห้าสามหก و َ ل ك ُ ل ِّ أُمَّةٍ أ ج َ ل فإذا جاء أجالهم فالكل لقومات أجال فإذا جاء أ ج ل เจ้าลูกม์ไม่จะตั้งชีวุนสายตัวไม่จะตั้งดิมุ Ya bani Adam immayatianakum y n r u s u l u m i n a k u m ยُคุซซูน عليكم آياتي فَمَنِتَ قَوْفًا فَمَنِتَ قَوْفًا وَأَسْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ก็ أصحاب النار หุม فيها ขัลดูลอามาดูตรงนี้นะวลีกุลลีอุมะและในสำหรับทุกประชาชาตินั้นเน่ะ ajan ajan ตรงนี้หมายถึงอะไรต้องแปะเรื่องตายอย่างเดียวมไหมหจริงๆก็คือการกําหนดเวลาหนึ่งอ่าทุกอย่างเนี่ยเอา ล, ล็อกกาหนดมาแม้กระทั่งตายก็เป็นกําหนดของเราเป็น ajan ริสกีเนี่ยเอา ล, ล็อก็กําหนดมาเหมือนกันอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะได้สตังเราจะได้ริสกีเนี่ยถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ได้ ก็รอนะเงี่ยเห็นเขาตามทวงหนี้กันนะนะยังแสดงว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาแต่ ถ, ถึงเวลาได้แล้วแต่ถ้าเราจะใช้คำว่าอายันที่เราจะคุ้นชินกันที่สุดก็คือตายยังไม่ถึงอายันเราจะใช้คำนี้นะยังไม่ถึงอายันเนี่ยยังไงมันก็ไม่ตายก็ถูกแต่ถ้ามันถึงอายันคนจะทำยังไงมันก็ตายพรามันถึงอายันของมัน <c oughs> กำหนดเวลามาแล้วเอลอ์บอกว่าฟาอีซาจะอจาจจะหลูหุมและเมื่อกําหนดเวลาของเขามาถึงเวลาตายมาถึงปับ๊บไงเวลาตายมาถึงปับ๊บและเยสตะคีรูเนซ า, าเขาจะขอให้มันช้าสักครู่หนึ่งก็ไม่ได้วเลยสตักดีมูนหรือจะให้เร็วสักครู่หนึ่งก็ไม่ได้จริงสาเนี่ยไปว่าวชั่วโมงนะแต่ในมุมของภาษาเนี่ย ซาซาก็หมายถึงนิดนึงรอหน่อยสักครู่นึงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นชุมโมหรอกนาทีนึงก็ไม่ได้อัลลอ์กำหน ด, ดมาเนี่ยนาทีนึงก็ไม่ได้นะต้องเป๊ะเลยนั้นๆไม่มีใครหนีอาจันของตัวเองพลนนะครับัน้นบางคนที่บอกว่าโอ้โหเขาดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่นานนะผ่านไปเป็นเดือนปับ๊บเอ้ย ยังไม่เห็นเป็นใดเลย ก, ก็ก็ยังไม่ถึงอายันก็ยังอยู่ไปนเะเราบอกต่อว่าเยเบนีอาดามะนะยเบนิอาดามะโอลูกหลานอาดัมเอย๋ยถ้ามีบรรดาศาสนทูตในหมู่พวกเจ้ามายังพวกเจ้าอิมมายะตียันนกุ้มรุสูลุมมิงกุ้มรุซุลตรงนี้ก็หมายถึง บรรดาศาสนทูตรอซูนเพราะศาสนาทูตพี่น้องต้องจําเลยนะคือผู้รับสารศา ส, สนาสู่รอซูนนี่คือรับสารจากอัลลอฮ์แล้วก็มามาเผยแพร่รอซูนไม่ได้คิดบทบัญญัติขึ้นมาเองนะแอนรอซูนนับสารจากอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นบรรดาคัมภี์ต่างๆก็ว่ากันไปแล้วก็ผ่านญิบรีนเอามาให้อีกทีหนึง มิงกุ้มยะกุสูนาเลกุมอายาตีแปลว่าอะไรโดยเล่าอายะของข้าให้พวกเจ้าฟังเมื่อเราได้รับฟังอายะของอัลลอ์แล้วฟะมานิตตะโกพวกพวกเจ้าผู้ใดที่ได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ผู้ใดที่ยำเกรงปฏิบัติตามคำสั่งของอัลาาลอ์วาสละฮาเลโก ปรับปรุงแก้ไขคือไม่มีหรอกพี่น้องเวลาเราไปเรียนศาสนาแล้วปรากฏว่าที่เขาสอนมาเนี่ยเราไม่ผิดเลยโอ้โหที่สอนมานะไม่มีผิดเลยนะฉันทําถูกหมดเลยมันก็ต้องมีผิดบ้างไอที่เราเรียนกันมาก่อนหน้านี้หรืออาจจะไม่ได้เรียนไปอะไรไปก็อาจจะมีผิดบ้างแต่ผิดแล้วเวลาฟังเรื่องศาสนาเอามาแก้แค่นั้นเองไม่ได้หมาว่าผิดแล้วผิดซ้ําผิดซากไม่ใช่ผิดแล้วก็แก้ไขอันไหนที่ยังไม่ได้ทําก็ทํำซะ เอออันไหนที่มันพลาดไปก็แก้ไขอัสละอัลละฮะฟละาฟลาเขาฟุลอาเลยฮมิมและจะไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเขาเวลาหุ้มยะจานูนและก็ไม่มีความเสียใจด้วยอยาญะนี้ผเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรก่อนหน้านี้พูดเรื่องอะไรเรื่องตายใช่ไหมละ่ะอาญาณมาเมื่ออาญาณมาแล้วหนีไม่พ้นหรอกเราอบอกจะให้ไวให้ช้าก็ไม่ได้แต่สําคัญคือก่อนจะตายเนี่ยอัลลอฮ์ส่งรอซูนมาหรือยัง ส่งมาแล้วเรียนรู้ศาสนาอย่างเรียนรู้แล้วเมื่อเรียนรู้ฟัตฟัมมณิตตกอบเชื่อสิปฏิบัติสิอะไรไม่ถูกแก้ไขสิถ้าเราทำสองข้อนี้ไม่ต้องกลัวแหละเมื่ออายันมาเราจะกลัวไหมไม่กลัวเราจะเสียใจไหมไม่เสียใจเฮเห็นยังต่อเนื่องกันเลยและใครแหะที่จะต้องกลัวต้องเสียใจฟัลเลวัลลดีนากาซาบูบรรดาผู้ที่ปฏิเสธอายะต่างๆ ใครที่ปฏิเสธอายะต่างๆวสตักบรูอัน h าและแสดงความโอโหหังต่ออายะเหล่านั้นแปลว่าอะไรแปลว่าสวนสวนกับหลักการศาสนาบอกว่าอะไรบอกว่าไอที่เอามาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องล้าหลังมันเป็นเรื่องโบราณการนะไม่ไม่ทันสมัยว่ากันไป หรือความคิดของเราเนี่ยดีกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์บอกวันก่อนพี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายมีคนหนึ่งมาเล่าให้ฉันฟังคือเขาเถียงกันเรื่องศาสนานี่แหละในเพจในเพจหนึ่งปรากฏว่ามีคนคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาถามว่าอุ้ยพี่เนี่ยพี่เนี่ยเรียนเรียนรู้ความอดทนได้อย่างไรทาไมเป็นคนที่อดทนเก่งมากเลยเวลาคนมาเม้นพูดจาไม่ดี ไม่ค่อยจะเคเด็กปีแตกเขาก็เลยไปพิมพ์นะคนนี่มุสลิมนะไปพิมพ์บอกว่าเขาเนี่ยจริงๆในหลักของอิสลามก็สอนเรื่องอดทนไว้ได้ดีแต่ที่เขาได้รับความอดทนแบบเนี้ยเขาไปฝึกจากหลักของศาสนาพุทธฉันก็บอกว่าอ้าวตกลงเนี่ยขออิสลามเราเนี่ยมันยังไม่ดีพออีกเหรอถึงไปเอาหลักความเชื่อ อ, อื่นของอับนะเชื่ อ, ออื่นมาถ้าพูดแบบนี้เนี่ยเท่ากับ สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแล้วถ้ามองว่าความเชื่อหนึ่งความเชื่อใดเนี่ยมันดีกว่ามันดีกว่าการปฏิบัติที่เอาล้อใช้เนี่ยนะอันนี้ผมผมฟังแล้วผมรู้สึกไม่สบายใจแล้วไอาการแสดงแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการรอมชอมโดยที่อาจจะบอกอาจจะเป็นการด้อยค่าของอะไรของของความเชื่อเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องไปพูดถึงของเขาเรกแต่เราต้องเอาของเราเนี่ยภูมิใจและก็นําเสนอแค่นั้นเอง แล้วฉันเองก็ไม่ได้คิดว่าต้องไปศึกษาอะไรแล้วถ้ามี i ส l a m เนี่ยไม่ต้องไปไปฝึกจากคนอย่างอื่นแล้วฝึกจากที่กุฎอ่านบอกในหะดิษบอกนี่แหละแต่ประเด็นคือว่าไอคนนั้นน่ยมันไม่ได้เรียนซุนนะของท่านนบีอย่างแท้จริงไงสิมันถึงไปเอาคนอื่นมาถ้าเรามี i s l ามแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งและในความเชื่ออื่นอื่นละเพราะอิสลามคือแนวทางที่ถูกต้องนะครับเอาต่อมาอูเลอีกาอัสฮาบุนนาร์เขาก็แสดงความโอหังต่ออายะขอรอชนเหล่านี้แหละ อัลลอฮฺบอัสฮาบุน่าเป็นชาวนรกหุ้มฟีฮาคอลีดูนเขาจะอยู่ในนรกแบบตลอดการนะไม่ได้ออกมาเลยคําว่าตลอดการตรงนี้ก็คือพวกเขาจะพำนักอยู่ในนรกแบบชั่วนิรันนะครับชั่วนิรันคนํานึงในอายะนี้เนี่ยใช้คําว่าอิสตักบารูคําว่าอะไรนะโอหังตะกบดส่วนหนึ่งพี่น้องครับที่ เยาฮูดก็ดีหรือใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่ยอมรับอิสลามเนี่ยพออ่อเลยเขาเข้าสัมปันสำคัญตนว่าไอ้สิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันยิ่งใหญ่เขาไม่ยอมซีโรราบต่อรออ่ายิ่งยิ่งขอมาอนะบางคนที่เรียนสามัญจนกระทั่งสูงมากๆเนี่ยบางทีมองศาสนารองลงมาเรียนสูงอะเป็นจนกระทั่งเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสรตราจารย์เดี๋ยวนี้เขาบอกดอกเตอร์ใจตังไม่เท่าไหรนะได้แล้วเนี่ยจะเป็นเหมือนจะเป็นดอกเตอร์ละเนี่ก็มีข่าวอยู่ เออมีข่าวอยู่อ้าวพอเรียนสูงสูงมากไปปั๊บไปไงก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยมีอีโกโ้มีแจว๋วมีอะไรยิงยโซโอหงังก็เลยมองเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญนี่นากลัวด้อยลงมาดังนั้นสังเกตนะมันมีอยู่ที่หนึ่งที่ไม่ใช่ประเทศไทยเราอีกประเทศหนึ่งคนที่จบเปียโตเปญยเอกไม่คุมหัวเลย แต่ถ้าเป็นชาวบ้านนะเป็นโตกีโตวังคนเดียนน้อยๆ น, นะขุมีหยาบดีมากเลยแต่พอส่งรูปไปเรียนในตัวเมืองแล้วก็จบปริญปีคือมันอย่างนี้ปีอาทีเนี่ยเหลือครึ่งนึงก่อนอ่าพอตอนแรกเรียนเรียนเรียนประถมเนี่ยไอเรียนประถมปิดดีปิดตาแล้วก็ตาพอขึ้นมัธยมเริ่มมีผมแรียบๆล้วพอปีอาทีปั๊บครึ่งหัวพอขึ้นเบียทโทไปไงหายเลยอันนี้เขาเขาพูดมานะว่าในที่หนึ่งเนี่ยเป็นแบบนี้ ก็แสดงว่าพอยิ่งยินสามันมากๆเนี่ยศาสนาก็เริ่มอ่อนลงอ่อนลงนก็ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังนะอ่ะยันหนึ่งนะ37มสิบเจ็ ن أ َ ذ ل ُ مُمِمَّنِ إ ف ْ ت َ ر َ عَلَى اللَّهِ ك َ ذ ِ ب َ ن أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِ ุล่าอิคัยนัลุห์มนศิบุห์มมีในคัตบุล่าอิคัยนัลุห์นศิบหมมีในตบ حتى إذا ج ا ه ุมรุสูลูน่ายาตาว f ้าวูนาม ก้าลูไอ้หน้าคุณตุ้มตาดั دُونِ اللَّهِ อัลลอฮฺกล่าวแ ا ่เราแ ا و เห็นได้จากฟุสิห์มว่าเห็นได้จาฟสห์ม هم هم أ ن น م كانوا كافرين وشاهدوا อ ل ى أنفسهم أنهم ك น ن و ا كافرين อ่ามาดูความหมายนะครับต่อจากอายะที่แล้วเนาะบรรดาคนที่ปฏิเสธอายะต่างๆของเราสแสดงความโอหังต่ออเลาะ ต่อคำหลักทำคำสอนเยอะหยันหลักการศาสนาเนี่ยแน่นอนคนเหล่านี้คือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดไปอัลลอฮ์บอกฟามันอัสลามูมิมมานิฟตารอและผู้ใดเล่าที่จะอาธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่อุปโลกความเท็ศให้แก่ Allah. อัลลอฮตรงนี้กล่าวท็ศต่ออัลลอฮ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่ร้ายอัลลอฮ์อัลลอ์มีลูกนะหรือเปลี่ยนแปลงหลักการของอัลลอ์แล้วก็บอกว่านี่แหละคือคำสั่งของอัลลอ์นะโดยที่พวกเขาเป็นยังไงอุปโลกความเท็จอักซาบบิอายาติหรือปฏิเสธบรรดาอาญาของอัลลอ์มีสองอันนะหนึ่งก็คืออะไร เปลี่ยนแปลงสารขอร้อง Allah เลยอุปโลกความทิศว่าอันเนี้ยที่ทําอยู่เนี่ยเป็นคําสั่งเจ้าลออันที่สองคำสั่งของร้องมาแล้วแต่ไม่ทําปฏิเสธเออไออไอไอส่วนใหญ่อันที่สองเนี่ยมันจะมันจะโดนด้วยไอส่วนไอนไปไปไปเลยนะไปอุปโลกคําสั่งของร้องโกหกใส่อันร้อนเนี่ยอาจจะน้อยหน่อย นีหมายถึงว่าโอกาสที่มันจะมีเกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยน้อยแต่ที่เอาล้อใช้แล้วไม่ทําเนี่ยอันนี้มันจะเกิดกับเราได้อ่าแต่คําว่าไม่ทําเนี่ยไม่ได้บอกว่าปฏิเสธนะอาจจะขี้เกียจอันเนี้ยถือว่าตกสนะเป็นคนเป็นคนอะไรนะเป็นคนชั่วแต่ถ้าปฏิเสธเลยนี่กาเฟสทั้งหมดเลยนะพี่น้องสมมุตินะมีมันมีหลักการอะไรที่มันชัดเจนเนี่ยเช่นดอกเบีย้ยอ่าแต่เราบอกว่าโอ้ยฉัน ปฏิเสธเรื่องดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยเนี่ยมันเป็นกระแสทุนนิยมเราต้องเปลี่ยนได้แล้วเนี่ยบอกอย่างเงี้ก็ถือว่าบอกว่าดอกเบีย้ยไม่ทารอมเนี่ยนะตกศาสนาเลยแต่ถ้ากินมาดูแต่มันทารอมแต่ยังรับอยู่เพราะฉันยังเป็นไรายได้ของฉันอยู่อันนี้อีกเรื่องหนึ่งบาปวันก่อนมีคนเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์ฉันจะรู้ได้ไงว่าเป็นเงินปันผลหรือเป็นเงินดอกเบีย้ยเราแยกออกไหมอย่างนี้อย่างงี้นะ คือถ้ามันเป็นดอกเบีย้ยเนี่ยมันจับที่ตัวเงินมันไม่ได้จับที่ที่อะไรที่การลงทุนวันก่อนเนี่ยมันมีธนาคารหนึ่งหรือกองทุนหนึ่งฉันเนี่ยจะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะไปลงทุนในการสร้างโรงจอดรถเขาไปรับงานมาแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยไปขอเพราะว่าเขาไม่มีสตังทุนแต่เขามีคนงานเขามีแรงมีเครื่องมือมีฝีมือ พี่น้องรู้ไหมว่าไอกองทุนเนี่ยเขาโอนตังค์ไปที่ไหนเขาโอนตังค์ไปที่ร้านวัสดุก่อสร้างทําไมเขาไม่แหวเอาเงินมาเลยล่ะเขาบอกว่าเพราะเขาออกเป็นของไงเท่ากับไอท่ากองทุนเนี่ยออกของส่วนไอบางนี้ก็เอาของไปเลยไปทํานี่แหละเขาเรียกรวทุนร่วมกันมีคนหนึ่งออกขออีคนหนึ่งออกเอาไปทําออกแรงก็เอาของเข้าไปทำไงพอได้กําไรก็ แบ่งกันแต่สมมติอีกอันหนึง่งบางผมผมยืมบางนะแสนหนึง่งเดี๋ยวผมใช้ผมใส่แสนสองแล้วก็ไปทําธุรกรรมไม่เกี่ยวเลยนะไอ้บางนี่รับตังไปเนะี่ยปรากฏว่าทําปรากฏว่าได้กําไรก็ตกลงได้เท่าไหร่ก็ตามนั้นแหละที่ตกลงกันไว้แต่กําไรนี่ไม่เกี่ยวกําไรนี่ของเราไอ้เงี้ยดอกเบี้ยแล้วเห็นยังไม่ได้พบไม่ได้จับที่ตัวของธุรกิจไปจับที่ตัวเงินที่เอามา ไสองหมื่นนี่เขาเป็นดอกเบี้ยไงบอกฮะก็สองหมื่ก็เป็นดอกเบี้ยเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะใช้คืนสองหมือ่ายืมมาแสนหนึ่งใช้คืนสองสองมนนะแสนสองหมืนนะแล้วก็เอาเงินมาทําธุรกิจไอ้เงี้ยดอกเบี้ยแต่ถ้าคุณไปกับบางผมไม่มีตังค่าของบางออกของนะแล้วผมลงเดี๋ยวเรามามาหุ้นกันอันนี้แล้วทําแล้วได้แบ่งตามสัดส่วนห้าสิบคนละห้สิคนละครึ่งนี่แหละแต่ถ้าเกิดเจ๊งเจ๊งด้วยกันเลยจ้ะ ไปด้วยกันเลยอันนี้อยู่ที่ตกลงไม่เป็นไรคนออกแรงอาจจะได้น้อยกว่าคนออกเงินได้เยอะกว่าส่วนใหญ่เ็นอย่างนี้แหละคนออกแรงจะได้น้อยกว่าเพราะว่าสาคัญคือเงินไงจ ะ, จะมีแรงขนาดไหนแต่ไม่มีเงินก็จะจบเขาเลยมองว่าเงินสำคัญกว่าก็เลยให้เยอะกว่าหกสิบสี่สิบอุลแยอิกยนาลูฮุมนาซีบูฮุมมีนันกิแบชนเหล่านี้ส่วนหนึ่งพวกเขา ที่ถูกกำหนดไว้นั้นก็จะได้แก่พวกเขาแปลว่าอะไรอะไรที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ก็จะมาได้แก่เขาเขาทำอะไรไว้ก็หนีไม่พ้นหรอกนะจนกว่าศาสนทูตของเราเนี่ยจะเอาชีวิตของพวกเขาจะเอาชีวิตพวกเขาได้มายังพวกเขานะหมายถึงว่าอะไรมีมะเร็งมาเอาชีวิต จนกระทั่งตายเนี่ยแหละถึงจะรู้ถึงจะรู้ความจริงไอ้ก่อนหน้านี้ก็ดื้อไบอะเก่งแต่พอเวลาจะตายปั๊บเป็นไงแย่ yeah, เลยคนนี้รู้ความจริงแล้วจนกล่าวว่าไหนเล่าที่พระเจ้าวิงวอนอื่นจะอัดหรอไหนดูสิที่ไปขอสิ่งโู้นสิ่งนี้เนี่ยมันช่วยเจ้าได้ไหมเขากล่าวว่าและพวกเขาก็กล่าวว่าเขาเหล่านั้นได้หายหน้าไปหมดแล้วไอ้ที่ไปขอไว้ตรงโน้นตรงนี้เนี่ยพอถึงวันกิยามัต มันอยู่ไหมมันไม่อยู่หรอกมันหายหน้าไปหมดแล้วเหลือแต่อัลลอฮ์เท่านั้นและพวกเขาก็ได้ยืนยันแก่ตเขาเองว่าเขานั่นแหละคือคนที่ปฏิเสธเองสุดท้ายนะคนที่เป็นกาเฟตในวันขิย马มนเนี่ยจะไม่มีการดื้อเลยนะแปลว่าอนะไรทุกคนยอมรับหมดเพราะอัลลอ์เอาหลักฐานมาจนกระทั่งไม่สามารถจะดิ้นได้เลยะนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอายะที่ เตือนกันสุดท้ายเนี่ยพี่น้องจะดูดูนะว่าคนเราเนี่ย ม, มันมันมยอมตอนไหนตอนตายเนี่ยมันหมดแล้วหมายถึงตายไปแล้วจะมาขอสารภาพไม่ได้แล้วมันสายไปแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะสุบฮานะกลฮุมมาบดฮมดิกาัชอัลอีลาฮอิลัตัสตะฟิกาตูบิไลอัสสลามุอะลัยกุมมราะมัตุลลอฮ์วะบารกตุ